ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเพื่อนรักจิตตะสัมภูตะชาดกตอนที่สองโดยสมณะรรซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่26มกราคม2539นบณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นับบัด น, นี้ค่ะ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 เระราชาเนี่ยเห็นระลึกชาติได้แค่ชาติเดียวเสร็จแล้วก็นึกอยู่แต่ว่าตัวเองทำดีแล้วก็เลยได้มาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์จึงกระทั่งได้เป็นกษัตริย์ที่มาเขบอกว่านี่ก็เห็นแต่อ้มุมดีของตัวเองเท่านั้นเองแต่มุมที่ตัวเองเนี่ยอาจจะไปสั่งสมวิบากกรรมที่เป็นบาปเป็นความไม่ดีเนี่ยคือระลึกไม่ได้หรืออนึกไม่ได้พระรา บ, บท์ก็บอกว่าแต่พระรา บ, บทเองเนี่ย รู้ทั้งสองส่วนนะทั้งที่เป็นบุญแล้วก็ทั้งที่เป็นบาปเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามที่เราจะระวังตัวเองเมื่อระวังตัวเองเนี่ยไม่ให้ไปในทิศทางที่มันจะไปเป็นบิบากกรรมในทางที่จะลําบากนี่นะก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เลยไม่ปราถนาบุตรไม่ปราชนาปัสสุสัตคือแล้วก็ทรับสินอะไรต่างๆก็ไม่ต้องการทางนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ มีประมาณร0อปีเป็นอย่างมากแล้วย่อมจะเหี่ยวแห้งไปเหมือนไม้อ้อที่ถูกตัดแล้วคือพูดง่ายๆว่าชีวิตคนเรามันไม่ยาวนะมันก็สั้นอย่างเก่งก็แค่ไม่เกินเนี่ยแหละร0อยปีก็ตายแล้วแล้วจะมัวเพลิดเพลินไปใหญ่จะมัวเล่นคึก ข, ขนองไปทำไมความยินดีสนุกสนานจะเป็นประโยชน์อะไร จะมีประโยชน์อะไรด้วยการสแสวงหาทรัพย์จะมีประโยชน์อะไรด้วยการได้บุตรและภรรยาสําหรับอาตมาคือก็บอกว่าเนี่ยมันไม่เห็นจะต้องไปมัวสนุกไปมัวเพลิดเพลินอะไรเลยนะเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วสําหรับสําหรับนักบวชสําหรับพระดาบทเนี่ยนะบอกว่าจะไปสูบกระหนาดอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์อีกแล้วนะไม่เห็นว่าจําเป็นจะต้องไปเพลิดเพลินอะไรกับนักกระหนา แล้วก็ไปหาทรัพย์ก็ไม่มีความจำเป็นยิ่งไปมีบุตรภรรยาก็ยิ่งไม่ไม่จำเป็นใหญ่เลยนะสำหรับสำหรับพระฤาษีเนี่ยพระดาบทนี้ดูก่อนมหาบาพิษอาตมาพ้นแล้วจากเครื่องผูกอาตมารู้ชัดอย่างนี้ว่าความตายจะไม่รังควานเรานั้นเป็นไม่มีเพราะเมื่อบุคคลถูกความตายเข้าครอบงำแล้ว ความยินดีสนุกสนานจะเป็นประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์บุตรและภรรยาพระดาบทก็เนี่ยบอกเพิ่มอีกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเครื่องผูดอะไรแล้วเครื่องผูดอะไรที่แข็งแรงที่สุดใครจาได้เคยเอาพระสูตรที่พระเจ้าตัดมาอ่านให้ฟังนะเครื่องผูกรอะไรนะ ซับก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเอามีเครื่องผูกอะไรบ้างอะไรผูกขาอะไรผูกมือเอามีซับผูกขาเอ้าภรรยาคู่คู่นั่นแหละว่าลูกลูกอะไรเงี้ยใช่มหมเอ้าเอ้าผูกผูกอะไรผูกมือหรือผูกคอลูกผูกคอ อาแล้วก็ภรรยาผูกมือเรามีอะไรผูกอีกพักทรัพย์ม บ, บัติผูกขาเอานั่นแหละใช่ไหมตาอานนี้พระดาบทนี้ก็บอกว่าเนี่ยไอเครื่องผูกมัดอะไรต่างๆนี่บอกว่าผูกมัดเราไม่ได้แล้วนะแล้วก็ไอความตายเนี่ยถ้าสมมติมาถึงแล้วนะคนนั้นเนี่ยพอจะถึง เวลาความตายมาถึงเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะทรัพย์ลูกภรรยาหรือว่าอะไรต่างๆแบบไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นเนี่ยนะไม่สามารถที่จะเอามาแก้ไขอะไรได้ถึงเวลาตายก็ต้องตายดูก่รมหาปพิธผู้เป็นจอมประชาชาชาดกเนิดของคนเราไม่เท่าเทียมกันกําเนิดของคนจันทารจัดว่าเลวซามในหมู่มนุษย์ เมื่อชาติก่อนเราทั้งสองได้เป็นคนจันทานร่วมกันเพราะกรรมอันชั่วช้าของตนอยู่ในกรุงอุเฉนีเอาล้วนะคราวนี้พระดาบทเนี่ยจิตตะจิตตะดาบทก็เริ่มเล่าย้อนให้ฟังแล้ว <c oughs> โดยบอกว่านี่นะดูนะแต่ก่อนเนี่ยเพราะว่าเราทำกรรมไม่ดีไว้นะกรรมชั่วกรรมเวรวกำหยาบเกิดมาก็เลยต้องมาเกิดในชาติที่ ที่คนอื่นก็ถือว่าเร็วสามในชาติที่เขาเรียกว่าสกุลต่ำต้อยอะไรอย่างเงี้ยคือท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยชาติกำเนิดเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันจะมเพราะฉะนั้ น, บ า, น, าานบางคนก็เกิดชาติสกุลสูงบางคนก็เกิดชาติสกุลต่ำแต่ว่าเพราะทํากรรมชั่วไว้เนี่ยแหละก็เลยต้องไปเกิดในสกุลต่ำนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราเคยไปเกิดอยู่ในกรุงอุเชนีเป็นคนจันทาน ในกรุงอุเชณีอวันตีชนบทครั้นเมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเนื้อสองตัวพี่น้องอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเนรันชลาชาติต่อไปก็ได้เกิดเป็นนกเกี่ยวสองตัวพี่น้องอยู่ฝั่ง ร, รัมมาธาทีและในชาตินี้เองอาตมาภาพได้เกิดในสกุลพามมหาบาพิษทรงสมภพในสกุลกษัตริย์ คือก็ไล่มานะว่าทั้งหมดเนี่ยสาสี่ชาติเนี่ยเป็นอะไรบ้างเพราะว่าสามภูตะนี่รู้แค่ชาติเดียวนะที่ระลึกได้จิตตดาบทได้ประกาศชาติกําเนิดอันต่ําต้อยที่ผ่านมาแล้วแก่พระราชาให้ทรงทราบก็ทั่งถึงชาติอันสูงคือไล่มาเรื่อยนะเป็นจันทานนี่ก็ถือว่าชาติต่ำไปเป็นสัตยรชานก็ยังถือว่าชาติต่ำใช่ไหม ไปเป็นนกไปเป็นเนื้ อ, อยังถือว่าเป็นชาติต่ําเพราะว่าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งในที่สุดมาเกิดเป็นคนอีกนะได้มาเกิดในสกุลพาราหมณ์กับสกุลกษัตริย์วันณะเนี่ยวันณะพาราหมณ์กับกษัตริย์ก็ถือว่าคราวนี้วันละสูงใช่ไหมก็เลยไล่มาเรื่อยพูดให้ฟังแม้ในชาตินี้เพื่อให้พระราชาทรงเกิดอุตสาหะในบุญกุศลทั้งหลายคือคือที่พูดให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่า กรรมจำแนกสัตว์บางคนเราเนี่ยเกิดตามกรรมใครทำกรรมดีไว้นะกรรมดีก็ส่งผลให้ไปดีให้ไปเกิดดีใครทำกรรมชั่วไว้ผลชั่วก็ส่งผลให้คนนั้นไปเกิดไปเกิดต่าไปเกิดชั่วคือพูดอย่างนี้เพื่อให้พระราชาได้รู้ชัดว่าตอนนี้ที่ได้มาเป็นพระราชาเนี่ยก็เพราะผลบุญนะถึงได้มาเกิดเป็นพระราชา แต่อย่ามามัวเมานะอย่ามามัวหลงเพลิดเพลินนะถ้ามามัวหลงทำอะไรไม่ดีต่ออะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปเกิดต่ำอีกนะแล้วได้กล่าวทำต่อไปอีกว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชรลานาเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของน้อยเมื่อนรชนถูกชรลานำเข้าไปสู่ความตายย่อมไม่มีผู้ต้านทานดูก่อน พระเจ้าปัญจาราชมหาปพิษทรงทำรรตามคําของอัตมาเถิดอย่าทรงทํากรรมทั้งหลายอันมีทุกเป็นกรรําไรนะตอนนี้กําลังย้ำเลยนะย้ำไปอีกว่าว่าอย่าไปทำเลยไอ้กรรมที่มันทําให้ส่งผลที่จะเป็นทุกนะ่ะมีทุกเป็นกรรําไรก็คือว่ า, อ, าอะไรอ่ะลงทุนนะลงทุนลงแรงเกิดมาชาตินึงชาตินึงเนี่ย เสร็จแล้วผลที่ได้มาที่เป็นวิบากรรมเนี่ยผลที่ตามมาได้ได้ทุกเอาไปเป็นกำไรคือได้ทุกมากมายนั่นเองเพราะว่าเป็นกำไรต้องเยอะถ้าถ้าขาดทุนเนี่ยถ้าทุกขาดทุนก็ทุกน้อยใช่แต่ถ้าทุกเป็นกำไรแสดงว่าทุกเยอะอันมีทุกเป็นผลนะอันมีศีษะเกลือกั่วด้วยกิเลสุลีและ อย่าทรงทากรรมที่เข้าถึงนรกเลยนะก็เตือนพระราชาไปเมื่อจิตตาดาบทได้กล่าวอยู่อย่างนี้พระราชาก็ทรงรู้สึกพระองค์ขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังคงตัดว่าคือพอได้ฟังแล้วก็ศรัท ธ, ธาในพระดาบทอยู่แล้วนะพระราชาก็รู้สึกว่าเออเห็นดีด้วยข้าแต่พระกุลเจ้าถ้อยคำนี้ เป็นคำจริงทีเดียวแท้ทีเดีย ว, แ, ยวแต่ว่ากรมทั้งหลายของข้าพเจ้ายังมีอยู่มากกามเหล่านั้นคนเช่นข้าพเจ้าสละได้ยากดุดช้างจมอยู่ท่ามกลางหลมแล้วย่อมไม่อาจถอนตนไปสู่ที่ดอนได้ด้วยตนเองฉันใดข้าพเจ้าจมอยู่ในหลมคือกามกิเลสก็ยังไม่สามารถปฏิบัติตนตามทางของพระกุลเจ้าได้ฉันนั้น อันหนึ่งบุตรจะมีความสุขได้ด้วยวิธีใดมารดาบิดาก็พร่ำสอนบุตรด้วยวิธีนั้นฉันใดข้าพเจ้าละจากโลกนี้ไปแล้วจะพึงเป็นผู้มีความสุขยืนนานได้ด้วยวิธีใดขอพระคุณเจ้าโปรดพร่ำสอนข้าพเจ้าด้วยวิธีนั้นฉันนั้นเถิดคือขึ้นต้นมานี่พระราชาก็ตอบไปว่าดีหมดที่พระดาบทนี่พูดมา เหมือนอย่างที่เราชอบใช้สำนวนว่าอะไรนะรู้หมดแต่อดไม่ได้นะสำนวนเนี้พวกเราชอบใช้นี่ก็เหมือนกันพระราชาก็ใช้เหมือนกันนะนะใช้ว่าโอพูดดีหมดเลยที่มาะตาบทพูดมาเนี่ยนะเราควรจะละไอ้ไนู่ละไอ้นี่ละไอ้นั่นต่างๆนานาน่าจะได้เออสั่งสมบุญกุศลจะได้เกิดไปดีอะไรเนี่ยรู้หมดแต่บอกว่า ข้าพเจ้ายังมีกามอยู่มากนะข้าพเจ้าอดไม่ได้หรอกข้าพเจ้าสลัได้ยากาเพราะฉะนั้นไปไมามาเนี่ยแหมยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนกับช้างเลยช้างนี่มันตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมมันหนักด้วยพอตกไปในหลุมแล้วเนี่ยตกไปในหลุมแล้วเนี่ยบอกว่าขึ้นมาไม่ได้หรอกคือผู้เองง่ายว่าอ่าตัดรอบเลยตัดรอบเพระดาบดเลยบอกว่าไม่ต้องมาช่วยฉันเถอะ <laughs> เพราะว่าฉันขึ้นไม่ได้คือ คือพูดพูดเปรียบเป็นช้างติดลมอย่างเงี้ยใช่ไหมเท่ากับว่าอย่ามาช่วยฉันเลยให้ให้ขึ้นไปเนี่ยเสร็จแล้วยังไงนะไม่ไม่เพียงแต่ว่าอย่าอย่าไม่ต้องมาช่วยให้ให้ขึ้นจากหลุมนี่ใช่มหมยังบอกว่าอยู่ในหลุมเนี่ยจะทํำยังไงให้สบาย <c oughs> เนี่ยให้บอกนี่ไงจะพึงเป็นผู้มีความสุขยืนนานได้ด้วยวิธีใดนะที่แบบว่าเนี่ย สมมติว่ามีทั้งสมบัติมีทั้งบุตรภรรยามีทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยจะทํายังไงให้ให้มีความสุขอยู่ในหลุมอยู่ในหลุมที่ตกล่นนั้นได้แล้วพูดเป็นทํานองนี้มาถ้าเป็นเราเป็นพระดาบดจะยังไงเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราเป็นพระดาบดจะยั ง, ยงไง <c oughs> ไม่ต้องเอาใครเอาเราดีกว่า <c oughs> <c oughs> มีใครมาพูดกับเราอย่างเงี้ย เอานั่นแหละเอาเอานั่นเป็นเรื่องป็นเรื่องของพระดาบทแต่นี้เอาเราอะสมมุติว่าเกิดมีพระดาบทนี่มาพูดกับเรา <c oughs> นะก็พูดอย่างนี้บอกโอ้ให้ทิ้งเธอไอ้นั่นอะทิ้งเธอไอ้นี่เราจะตอบอยังไง <c oughs> เอ่อไอ้คำนี้เป็นไอ้คำนี้เป็นอีกคำหนึ่งนะที่จะได้ได้ยินเสมอ <c oughs> ว่าผมจะพยายามครับอา่า ดิฉันจะพยายามครับเออทวงทวงเอาไว้หน่อยนะอย่างน้อยๆก็คงจะไม่ว่าเรามึ่แต่จริงๆบางทีบางคนเนี่ยพูดว่าจะพยายามนะแต่ความจริงก็พูดไปอย่างนั้นเน่ยเออเพื่อเพื่อเพื่อแก้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างน้อยท่านคงไม่ว่าเรามากอ้าวจริงๆนะบางคนอย่างนั้นจริงๆอ่า เสร็จแล้วมันมันมีอีกอย่างหนึ่งบางคนก็คิดจะแก้อยู่บางกันนะ่ะแต่ว่าใจตัวเองเนี่ยมันมันอ่อนแอมากๆใช่ไหมคือพูดง่ายๆไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองเลยแล้วก็ไปหลงยึดแบบพระราชาเนี่ยแหละคือยึดว่ายังไงไม่มีทางแก้ได้เข้าใจไหมคือมันมีตัวเนี้ยอยู่เพราะไม่กล้ารับปากเออไม่กล้ารับปากเพราะท่านบอกมาบอกหนูจะแก้อะไรเงี้ยกลัวเพาเดี๋ยวผิดสัญญาด้วยใช่ไหม แล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะบาปด้วยเพราะว่ารับปากมาแล้วอ่ะจะยิ่งทุกข์ใจแม่จะยิ่งทุกข์ใจจะยิ่งโอ้โหจะยิ่งอะไรอะ่ะมันอยากจะกินอ่ะเสร็จแล้วก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยยิ่งแย่ใหญ่เลยสภาพวิจิตอ่เอพราะฉะนั้นก็เลยกลัวจะเกิดสภาพกลัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะไม่ไม่กล้าที่จะแบบว่ารับปากเพราะะฉนั้นก็เลยต้องใช้คําว่าจะพยายามเนี่ยเข้ามามาช่วยจิตตัวเองหน่อยไม่ให้แบบว่า บีบคั้นโดนบีบคั้นหนักนะกลัวด้วยกลัวท่านจะบีบคั้นด้วยรวมไปทั้งตัวเองจะบีบคั้นตัวเองด้วยทั้ง2 อ, อย่างเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้คําว่าหนูจะพยายามค่ะนะดิฉันจะพยายามค่ะมันจะเป็นอย่างเนี้อยู่เรื่อยแต่ธรรมาก็บอกบอกให้รู้อย่างหนึ่งว่าว่าถ้าจิตเราเรายังให้มันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเนี่ยจิตเราก็จะอ่อนแออยู่เรื่อยเข้าใจไหม มันก็จะขาดความกล้ามันขาดความที่จะจะอะไรอะ่ะมีพลังขาดความที่จะมีพลังที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จเพราะว่ามันมันมันมันไปพูดอย่างนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆว่ามีทางถอยให้กับตัวเองเยอะแยะไปหมดอะ่ะเข้าใจไหมคือพูดอย่างเงี้ยพูดแบบให้มีทางถอยของตัวเองเนี่ยเยอะไปหมดอาจมาเคยยกตัวอย่างให้ฟังอยู่บ่อยๆอ่ะที่บอกว่าบางทีให้ให้นึกเหมือนกับว่า เราเนี่ยไปยืนอยู่ริมหน้าผาแล้วถอยหลังไม่ได้อีกแล้วถ้าถอยหลังนี่คือตกตกเหวตกหน้าผามีแต่ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวนะหมายถึงว่าเราหันหลังให้กับเหวนะหันหลังให้กับหน้าผาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องอย่างนั้นเหมือนกันเพราะคนเราเนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันถอยไม่ได้นะถอยตายนะถอยไม่ได้นะถอยแล้วตกเหวนะ มันก็มีแต่ว่ามันต้องทุ่มพลังทั้งหมดใช่ไหมเพื่อที่จะไปข้างหน้าให้ได้ต้องลุยไปข้างหน้าให้ได้เพราะฉะนั้น ถ, ถ้าเราบางทีเนี่ยเราทุ่มจิตอย่างเงี้ยเราเอาพลังเทลงไปอย่างนี้แล้วบางทีไอ้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันถึงจะสําเร็จได้ไม่อย่า ง, ง น, นั้นน่ยมันเหมือนอย่างกับว่าตรงข้าบเลยนะมันเหมือนอย่างกับว่าเราหันหน้าไปทางหน้าผาไอ้ข้างหลังนี่เป็นทางที่เราขึ้นมาใช่ไหมว่ามันมีทางถอยตลอดเวลาเลย ช่วยทางไปข้างหน้าเนี่ยเราบอกมองไม่เห็นทางเลยเพราะว่ามันมีมันเป็นเหวทั้งงันเนะ่ยคือกลับกันคร่านี้กลับกันเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจะไปขงนะถอยดีกว่าเพราะมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือกำลังใจมันเป็นเรื่องของกำลังใจนะหรือว่าเรื่องของกำลังจิตเนี่ยกำลังจิตมันจะหล่นลงไปทันทีเลยนะมันไม่คิดที่จะหาวิธีที่จะข้ามเหวนี่ไปให้ได้นะไม่คิดที่จะ อะไรอ่ะหาสะพานหรือว่าไม่คิดที่จะใช้เชือกนะหรือว่าใช้ต้นไม้หรือว่าใช้อะไรที่มันจะข้ามฝั่งนี้ไปให้ได้คือมันจะไม่คิดแล้วมันจะเล่นแบบว่า <c oughs> ข้ามไม่ได้นี่ว่าเพราะฉะนั้นไม่ข้ามดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ถอยกลับลงมาเลยนั่นก็จะเหมือนพระราชาเนี่ยวันเมื่อคิดว่าไม่มีทางข้ามสําเร็จนะท่านนี้คือคือใจตัวเองเนี่ยคิดว่าไม่มีทางข้ามสําเร็จ เมื่อคิดว่าไม่มีทางข้ามสาเร็จเนี่ยก็ขอเป็นเหมือนอย่างกับช้างติดลมดีกว่าตอนนี้ก็ในเมื่ออยู่ในลมก็ขอให้อยู่ในลมแบบสบายหน่อยไม่อยากอยู่ในลมแบบทุกข์ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอยู่ในลมนะมันทุกข์อยู่แล้วแต่ก็บอกขอให้อยู่ในลมแบบไม่ทุกข์อีกถ้ายิ่งอยู่ในลมแล้วไม่ทุกข์เนี่ยถามหน่อยเหอจะยิ่งขึ้นจากลมไหมยิ่งไม่ยอมขึ้นใหญ่เลย วันจริงๆเนี่ยอยู่ในลมเนี่ยมันต้องทุกให้มากๆขึ้นไปอีกมันถึงจะยอมปีนขึ้นมาจากลมให้ได้ใช่ไหมล่ะถ้ารู้ว่าโอ้โหมันยิ่งยิ่งอยู่ในลมก็ยิ่งมีแต่จะทุกขเจียนตายยิ่งจะต้องตายนะพราะพ อ, พ อ, ไ, อไอตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตเรามันถึงจะมีพลังที่ว่าไม่อยากตายไม่ยอมตายมันถึงจะขวนขวายหาทางปีนขึ้นมาจากลมให้ได้เหมือนกับสมมติว่าข้างหน้าเป็นไอหน้าผานีใช่ไหม ไอ้ข้างหลังนี่เสือสิงโตเป็นฝูงเลยกําลังลุยมาหาเราเงีย้ยเราเห็นเลยว่าโดดลงไปในเขวนี่อาจจะยังไม่ตายนะยังไงก็ยังไม่รู้ว่าเป็นข้างล่างเป็นน้ําหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ยังบางทียังพอมีความหวังเน่ยไหมแต่ถ้ายัางขืนยืนอยู่ตรงปากเขวนั่นอยู่นะแล้วเสือทั้งฝูงกําลังขึ้นมาหาเราอย่างเงี้ยเราไม่มีทางสู้กับเสือได้เลยมันกําลังจะมากินเราเงี้ยถ้ามันหมดทางแน่ๆไอ้อยู่บนนี่มันทุกแน่ๆเห็นเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าจะต้องโดนกิน วันบางทีหาทางที่จะข้ามเหวนี้ให้ได้มันจะเอาแหละยังไงก็ต้องไปให้ได้แหละดีกว่าโดนเสือกินเนี่ยใช่ไหมเราจะต้องรู้สึกให้ได้อย่างนี้พอเวลาเราสู้กับกิเลส <c oughs> แต่ปรากฏว่าพอเวลาสู้กับกินเลสนี่เสือมาเสือมาโอ้โหยิ้มก็หาเสือเลยนะปรากฏว่ายอมไม่เสือกินอย่างอเด็ดอร่อยคือยอมไม่เสือกินอย่างอเด็ร่อยหมายความว่าอะไรหมายความว่าทํา ทำตามใจเราเพราะเสือนี่คือกิเลสใช่ไหมก็คือทําตามใจกิเลสเราอย่างแหมอร็ดอร่อยเลย <c oughs> น่าจะกลายไปเป็นอย่างนั้นสนันนเพราะนั้นเนี่ยพระราชาว่าพอเปียกอย่างนี้ใช่ไหมพระดาบทก็เลยบอกโอโ้โหยี่ไม่ไหวละพระดาบทเลยยังคงพร่ำสอนอก็ยังมีมี ฉันทะอยู่นะที่จะพร่ำสอนให้เข้มข้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะก็สอนว่าดูก่อนมหาปพิธถ้ามหาปพิธไม่สามารถละกามของมนุษย์ได้ไซมหาปพิธจงทรงเริ่มตั้งพีกรรมอันชอบธรำเถิดอ่าตอนแรกก็บอกไปนะเอาละถ้าละกามไม่ได้ก็ให้ตั้งพีกรรมแต่การกระทําอันไม่เป็นธรรมขออย่าได้มีในราชสีมาของมหาปพิธเลย ทูตทั้งหลายจงไปยังทิศ ท, ทั้งสนิมนต์สมณพราหมณ์ทั้งหลายมามหาบาพิธจงทรงบำรุงสมณพราหมณ์ทั้งหลายด้วยข้าวน้ำผ้าเสนาสนะและกีรนณปัจจัยมหาปพิธจงเป็นผู้มีกมลจิตอันผ่องใสทรงอังค่าสมณพราหมณ์ให้อิ่มน้ำสำราญด้วยข้าวน้ำได้ทรงบริจาคทานตามสติกำลัง เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ติเตียนจงเสด็จเข้าถึงสวรรคสถานเถอดดูก่อนมหาปพิธก็ถ้าความเมาจะพึงครอบงำมหาปพิษผู้อันหมู่นารีทั้งหลายแวดล้อมอยู่จงมนาศิการคาถานี้ไว้แล้วพึงตัดคาถานี้ใน่ามกลางบริษัทว่าเอาแล้วนะก็บอกว่าเอาละไหนๆถ้าจะอยู่เป็นพระราชาแบบนี้ก็ พยายามอย่าทำบาปกรรมนะแล้วก็อะไรอะ่ะให้การดูแลอุปถากต์สวรรคพรามณ์ต่างๆนะไล่มาเรื่อยนะจนกระทั่งบอกว่าเอาละไหนๆก็ยังมัวเมาครอบงําอยู่ในาการบังคุณนะมีนารีหอมล้อมเยอะแยะถ้าอย่างนั้นจำคาถานี่ไว้นะกำลังจะสอนคาถาไว้ให้สอนว่าอย่างนี้ให้จําก็คือ เมื่อชาติก่อนเราเป็นคนนอนอยู่กลางแจ้งอันมานดาผู้เป็นจันทานเมื่อจะไปป่าให้ดื่มน้ำนมแล้วเราก็นอนคุกทีอยู่กับสุนัขทั้งหลายจนเติบโตมาถึงบัดนี้คนคนนั้นใครๆเขาก็เรียกเราว่าพระราชานี่คือคาถาที่พระดาบดใ ห, ให้ให้ทิ้งท้ายเอาไว้ ว่าเอาละไหนๆจะอยู่นะแล้วก็เนี่ยจะอยู่ท่ามกลางตามทั้งหลายเนี่ยมีสุรานารีเยอะแ ย, ยะห้อมล้อมเนี่ยวันจําจำคาถานี้ไว้ค <c> า <oughs> ถานี้พูดอย่างนี้นี่หมายความว่าอย่างไงใครเข้าใจฮะเอ้าก็เมื่อชาติก่อนเราเป็นคนนอนอยู่กลางแจ้งคําว่าเป็นคนนอนอยู่กลางแจ้งก็คือแทบไม่มีบ้านไม่มีช่องนั่นเองนะ <c oughs> เป็นคนนอนอยู่กลางแจ้งก็คือไม่มีบ้านไม่มีช่อง <c oughs> อันมานดาผู้เป็นจันทานเมื่อจะไปป่าให้ดื่มน้ำนมแล้วก็นอนคุกทีอยู่กับสุนัขทั้งหลายจนเติบโตมาถึงบัดนี้ก็หมายความว่าตั้งแต่เด็กมานี่พูดง่ายๆว่าอาหารการกินหรือว่าอะไรต่างๆนี่ ก, ก็อะไรอ่ะพอแม่เลี้ยงนมเต่แม่ยังต้องไปเข้าป่าไปหา ปืนหาเผือกหามันหาผลไม้หาอะไรต่ออะไรแสดงว่ายากจนเสร็จแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เคยโอ้โหเอ้ยเนี่ยแหละนอนเล่นนั่งเล่นอยู่กับพื้นดินนี่แหละหน่าต่ําต้อยนะคือมีชาติสกุลต่ําต้อยแม่ก็เป็นจันทานแล้วก็แต่ก่อนนี้ก็โอ้โหเอ้ยอยู่กินกับสุนัขโอ้โว่าหนักจริงว่าหนักคือ ไม่เพียงแต่ติดดินธรรมดานะก็อยู่กินกับสุนัขเนี่ยคุกคีเล่นกันอะไรกันมาตั้งแต่เด็กจนโตโตมาจนถึงบัดนี้เนี่ยเขาถึงมาเรียกว่าพระราชาเข้าใจั้ยโอ้โหแม้ว่าว่าแรงน่าดูเลยนะก็คงจะเจตนาว่าเพื่อที่จะให้เกิดจิตสำนึกขึ้นมาจะได้ไม่หลงตัวเองคือไปหลงอยู่กับความสุขสบายไงตอนนี้เป็นพระราชาจะหลงอยู่กับความสุขสบาย ไม่รู้เหลอว่าชาติที่เป็นจันทานเนี่ยมันลำบากแค่ไหนไม่รู้วิบากกรรมมั่งเหรอแล้วยังจะมามัวสั่งสมไอ้บาปอากุศลนำะไปติดในกามไปติดในอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรแรงต่างอยู่ทําไมพระดาบทรั้นให้โอวาทแก่พระราชาอย่างนี้แล้วจึงกล่าวอีกว่าอาตมาภาพถวายโอวาทแกพระองค์แล้วบัดนี้ พระองค์จงทรงผนวดเสียเถิดโอ้ตีวเข้าบ้านเลยนะอย่าทรงเสวยวิบากแห่งกรรมของตนด้วยตนเองเลยคือก็ก็พูดแค่นี้นะแล้วก็จบหละคือพระดาบทเนี่ยบอกว่าน้าให้จบแล้วนะเพราะฉะนั้นนะ่ะบวช ด, ดีกว่าอย่าอยู่เลยเป็นฆราวาสขอเป็นพระราชาคอเมืองเนี่ยอย่าอยู่เลย นะอย่าให้จะต้องไปรับผลวิบา ก, กรรมที่ตัวเองกระทำต่อไปอีกเลย <c oughs> เพราะว่าชาตินี้นมีบุญใช่ถึงมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ถ, ถ้าชาตินี้ยังสั่งสมราคะโทสะโมหะเอาไว้อีกเนี่ยนะทั้งความโลภทั้งความโกรธ ท, ทั้งความหลงนี่สะสมไปเดี๋ยวชาติหน้าอาจจะตายแล้วไปเกิดเร็วนะสั่งส ม, สงสมเขาเรียกอะไร ออัอกุศลอักุศละก ร, รมนะสังสนอกุศละก ร, รมอย่างนี้ไว้เดี๋ยวชาติหน้าเนี่ยต้องไปได้วิบากกรรมไม่ดีที่ตัวเองทำไว้นะว่าแล้วนะก็ห่อขึ้นไปในอากาศให้ฝุ่นที่เท้าตกลงเหนือเสียงเกล้าของพระราชาแหมก่อนจะไปยังทิ้งท้ายนะปล่อยมนภาวะ ปล่อยมนภาวะลงหัวพูดง่ายลงหัวพระราชานะคือแบบคล้ายๆว่าอะไรอ่ะทําอย่างนี้อ่ะเจตนาอะไรเอาหนึ่งแสดงปฏิหารแหละเอาอีกอย่างหนึงอะไรเอาฝุ่นเนี่ยเอาฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นที่ไหนด้วยนะฝุ่นที่เท้านะเนี่ยโปรยลงที่หัวของพระราชาเนี่ยหมายความว่าไงอ่ะเพื่อจะได้อะไรไเพื่อจะได้สํานึกเรื่องว่าเออรู้สึกตัวซะบ้างนะอย่าไปหลงอยู่ หลงเพลินเพลิดและการที่แบบว่าสแสดงฤทธิ์อย่างเงี้ยหาะขึ้นไปนอากาศซึ่งจริงๆแล้วเราก็ต้องเข้าใจนะแต่เป็นธรรมที่ฐานเอาหาะขึ้นไปอากาศหมายความว่างไงก็ให้เห็นว่าพระฤาษีเนี่ยอิสระแล้วนะจะไปทิศไหนจะไปทางไหนยังไงก็ได้ในอากาศนี่ใช่ไหมว่าอิสระเสรีนะเหมือนกับนักบวชเนี่ยพอบวชแล้วเหมือนนกน้อยปีกแข็ง จะไปสู่ที่สาภาคใดก็ได้งั้นอีกอย่างหนึง่งนะอิสระส่วนเหาะขึ้นไปในอากาศได้ก็หมายถึงว่าความเบาความสบายไม่ใช่ไปแบบชนิดที่ว่าแบกลกลถแบกโฮไปด้วยอคันหนึงไม่ใช่อย่างนั้นนะไปนี่ไปแบบสบายเลยนะมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายนะหรือถ้าเปียบเหมือนนกท่านก็เปียบเหมือนน ก, ก น, นกเนี่ยมีปีกของตัวเองเท่าหน้าที่เป็นภาระแบกไป อย่างอื่นไม่ต้องนะมันสบายแค่ไหนอ่ะนะการที่แบบว่าออกบวชได้เนี่ยนะหรือว่าการที่เราทิ้งสมบัติข้าวของนะทิ้งไอความผูกพันเรื่องเครือญาติเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์อะไรต่างเนี่ยทิ้งไปได้แล้วโอ้มันเบาพาระมันเบาพาล ะ, ม, าาละมีแต่ตัวของตัวเองเท่านัา้นที่แบกไม่ต้องไปแบกคนอื่นอีกแล้วยังไมไม่ต้องไปแบกโลกทั้งโลกด้วย แบกเฉพาะตัวเองเท่านั้นเองคําว่าแบกเฉพาะตัวเองก็หมายถึงว่าทํากิเลส ข, ของตัวเราเองเนี่ยให้มันหมดไปได้เนี่ยใช่ไหม<ง>ก็แบกกิเลสตัวเองเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปแบกกิเลสคนอื่นเขาใครอย่าไปโง่ไปที่ะแบกกิเลสคนอื่นเขาด้วยพราะเอาแค่กิเลสตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโกรธใครเขาบางทีไปโกรธใครเขาเวลาถามไปโกรธทาไมเนี่ยเขาทําไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อ้อมก็คุณแบกแบกกิเลสเ ข, ขาทําไมเรา เขาทำานึ่งกันไม่ดีเดี๋ยวก็วิบากกรรมไม่ดีกับเขาเองใช่ไหไม่เห็นต้องไปโกรธเขาเลยแต่คุณอยากจะสอนเขาคุณก็สอนสิเขาทำไม่ดีใช่ไหมอ้าวอยากจะสอนก็สอนเขาแต่ทำไมต้องไปแบกกิเลสเขาฟังดูให้ดีนะทำไมต้องไปแบกกิเลสเขาไม่เห็นต้องแบกกิเลสเขาเขาทำไม่ดีบาปกรรมก็เป็นของเขา